พระธรรมเทศนาแผนที่57ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่29มกราคม2557ณวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครมีชื่อเรื่องว่าหลวงปูมั่นท่านคือ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 ปี 2,492 แล้วก็ได้ไปชุมเพลิงวันที่วันที่สองและวันที่ส 2,493 จากนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา64ปีที่วัดสุทธวาสจังหวัดสกลนครแห่งนี้ แล้วก็หลวงปู่หลวงตามหาบัวได้มาสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยความปรารถของดอเอรเชาองคมวลรีดรเชานสิรวันท่านได้มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางอีสานจากนั้นท่านก็อยากจะมาดูว่าที่ประชุมเพิงหรือว่า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 ในองหลวงปู่มั่นยังสุดจิตสุดใจอยู่แล้วจากนั้นจึงได้เขียนแบบแปลนออกมาอันนี้คือแปลนของอาจารย์ไข่สีตันสิลิเป็นผู้ออกแบบเป็นสถาปนิกจากนั้นพอออกแบบออกมาแล้วก็นี่นะท่านองค์ข้าหลวรปดรมัรร่ท่านก็เป็นประธานทางฝ่ายคารวาดคนิมนต์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 ของเราพอหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบานตาดปี 2,512 อยู่ตั้งแต่ 2,512 จนถึง 2,225 แต่เจดีพิ พ, ธพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นกับปีพศออ 2,518 นะถ้าหลวงพ่อจำไม่ปิดแต่ยังไม่ได้ดูกระทมถา ม, ถามดูว่าเป็นปีไหนที่พิ พ, ธพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นตรงพ่อว่าคงจะ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 ในนามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเหมือนกันสูสังรัะเ ต, เตปัญญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าฟังคราวนี้ก็ได้แนวความรู้อย่างหนึ่งแต่ฟังครั้งต่อไปก็ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์ชุดแท้ท่านจะจิบยกเรื่องอะไรมาพูดให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิด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 จินตามะยะป Biology ัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ดียินได้ฟังแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนผิดและถูกอย่างไรอันนี้เขาว่าจินตามะยปัญญาปัญญาเกิดจากการไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบหนึ่งเป็นหนึ่งแล้ว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 ขอให้คณะทศไทาญาติโยมลูกหลานทุกคนตั้งใจฟังนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะ ปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังขาเมวาจะทิวาทันจะเนวายาทิวาทะเลยัทธะอรหันโตวิหรันติตังภูมิมานะเฉยยะตังตีติ วันนี้เป็นวันที่พวกเราแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทีตาที่ได้ยกว่าปูชาจะปูชนียานังปูชาบุคคลที่ควรปูชาหลวงปู่มั่นของพวกเราเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้นำทางเออเป็นนายก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 ผู้ที่รู้เท่ารู้เรื่องบอกว่านี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์พัทธาตของพระอรหันต์เพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทย์ญาณุสิทธิลูกหลานทั้งหลายได้เกิดมาสุดท้ายภายหลังได้ฟังพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกพวกเราท่านก็ได้เอยอย่างได้เห็นอย่างตัาตาตัมใจของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายน่าจะภาคภูมิใจอย่างมาก ที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนแล้วก็ได้ฟังโอวาทของท่านนี่แหละแต่วันนี้หลวงพ่อเองกระผมเองจะไม่คำว่าแสดงธรรมหรือแสดงความคิดเห็นกระผมจะไม่ขอกล่าวอย่างนั้นเพียงแต่ว่าจะขอบอกกล่าวเรื่องวันแนะนำอยากจะให้พวกเราคณะสิทธิอนุสิต แนวแถวสายหลวงปู่มั่นอย่าให้ออกนอกลูกนอกทางให้ไปแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาเพเพือพ่อใดจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าต้นตระกูลของเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นประมาจานแต่ท่านจะศึกษามาจากองค์ไหนอันนั้นเราไม่มีใครเป็นผู้ได้เขียนประวัติเอาไว้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 ก็สอนพวกเราแต่พอมาถึงพวกเราถึงรุ่นหลานเนี่ยมากทีนีพอมากทีนี้ก่อนหานา้าจิตตังหนา้น า, นาทัศนะอาจจะมองไม่เห็นแนวแถวคือความจะเสียหายหรือจะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นในตระกูลของพวกเราอยากจะมีชื่อมีเสียงบ้างอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์บ้างอยากจะให้คนนกยกย่องนับถือเลื่อมใสบ้าง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 เราวิชาทำนาหลวงปู่มั่นสอนวิชาทำนาวิชาทำนา เ, เมื่อทำนาเสร็จแล้วก็ได้ข้าวเลี้ยงตัวเองทำมาค้าขายได้เงินแต่วิชาอื่นละ่ะวิชากฎหมายละ่ะวิชาครูละ่ะลวิชาปลูกมันสัมปหลังวิชาปลูกยางมั้จะตงเยอะแยะไปหมดเลยเท่นี่เทวกรรมาฐาน40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 ท่านพาหิธารุจริยะเนี่ยท่านได้สําเร็จเป็นพระหัน์ฟังเพียงแต่สมบาทพักคาถาสามคำพูดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันความเป็นมาของท่านพาหิเป็นอย่างไรเนี่ยคือสมัยก่อนศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะคือพระพุทธเจ้าในพัตกับนี้มีห้าพระองค์กกุสันโธโกณัคมโนกัสจปโธ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 เมื่ออายุสองหมื่นปีท่านก็ไม่ได้วางศาสนาเอาไว้เพราะว่าเพราะคนแต่ละคนไปมุกอีกสองหมื่นปีอีกต่อไปเป็นองค์สุดท้ายก็เพียงพอไม่เหมือนพร ะ, พระโคตมะของเราอายุร้อยปีเป็นอายุไขท่านต้องได้วางพระศาสน า, าวางหลักพระธรรมวินัยเอาไว้แต่นี้เมื่อพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้ากัจะปะปรินิพานพระสงฆ์สมัยนั้น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 พอไปไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งมนเหมือนกับสูงโดดเดงเหมือนกับขวดเน่แหละขวดน้ำหรือก็ติกน้ำเลยนะแต่ทีนี้ก็พอไปเห็นจิตพอภูเขาลูกนี้แล้วก็บอกกันทันใครกลัวตายกลับบ้านได้นะไทยกลัวตายกลับบ้านได้ถ้าพวกเราพวกเราพวกเราถ้าสู้แล้วก็เอาทำบันไดเลยหาไม้ไผ่แห้งมาแล้วก็ทำเป็นบันได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 พระเจ็ดองค์ก็เลยผักบันไดโคมอะไรทีนีพอผักบันไดโคมลงมาเอาเลือกเอาเลยใครต้องการที่ไหนพระเจ็ดองค์ก็หาคนละมุมกันเนี่ยบทยอดเขาเบทบวชยอดเขาคือตายลูกเดียวน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีมีแต่ผู้ที่เป็นพระหันหอเหินเดินฟ้าได้เท่านั้นเองจะเอาตัวรอดได้จากนั้นพระทั้งเจ็ดองค์ก็หาคนละมุมกันนั่งภาวนาเนี่ย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 เราได้ตั้งกฎอย่างนั้นไว้ใช่ไหมใช่เออเอาใจงานพวกท่านทั้งหลายนะพวกเราเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางเราศึกษามาถูกต้องแล้วขอให้พวกท่านทั้งหลายทําไปเถอะนะเดี๋ยวทางงั้นผมไปก่อนนะนะองค์ที่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยหายปับ๊บยังเหลืออยู่หกองค์พอมาคืนที่สองอีกองค์ที่สองพาวนาอีกได้สําเร็จเป็นพระนาคาพอนาคาท่านก็เหาะ เหมือนเดินฟ้าไปได้อีกไปบินธบัตมาให้หมูฉันอีกหมูก็บอกว่าไม่ฉันเพราะว่าพวกเราได้ตั้งกติกากันไว้องค์ที่สองเนี่ยกบเออทางนั้นพวกเรานะท่านนะผมจะไปแล้วนะให้พวกท่านทั้งหลายภาวนาต่อไปนะถูกเราเดินมาถูกทางแล้วองค์ได้ก็หายปั๊ไปอีกยังเหลืออยู่หองค์เท่านีพอห้าองค์นั่งภาวนาเท่าไหร่ไม่ได้สาเร็จ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 ทั้งคนเลยไปหาพระหาปอนมาพันร่างกายของตัวเอง เ, อเพื่อกันอไอจากนั้นก็ไปเห็นที่เขามาบูชามาสังเวย เ, เป็นศารพระภูมิมีพวกกระลมงกระลมังอะไรที่มันอยู่ในศารพระภูมิจากนั้นเขาก็เอาอกระลมังนั่นแหละเข้าไปขอขอถานเหมือนกันแต่ขอทา น, า น, น, น, ทานแต่คนทั้งหลายเห็น โอ้อันนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษนีไม่มีกระเื้อผ้าใช้ปอพันตัวเองเท่านั้นเองอันนี้แหละคือพระหันไอ้คนสมัยนั้นก็ตื่นเหมือนกันยุคสมัยนี้นะคนแต่งตัวแปลกๆเนี่ยแหละทําตัวแปลกๆเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับเป็นคนตื่นตาตื่นใจของคนคนนั่นก็บ่าพลหันคนนี้นก็บอกพะหั น, นแต่ในภายยากเออเออถืออย่างนี้ก็มาก็ดีเหมือนกานณนะ์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 พรมที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่บนยอดเขาเนะ่ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรมเป็นพระอนาคามีเนะี่ยท่านก็มองลงมาสู่โลกโอ้พาะฮิยะธารุจริยานี่เดินผิดทางเสียแลว้วถ้าว่าไปยึดถืออย่างนี้ออกจากชาตินี้เป็นไปตกนรกอเวจีแน่ๆเพราะเหตุไรเพราะว่าการเข้าใจผิดถ้าเราไม่ลงไปบอกไปสอนเนี่ยเพื่อนคงจะเสียหลักเสียแล้วพาวนีนะ นั่นแหละเป็นสหธรรมิเป็นกระยาณนะมิตรที่ดีข่าใครตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ต้องมองเห็นกันแต่ได้ทา่านก็ลงมาจากผงมมายืนอยู่ในบนอากาศมากลางอยู่การบนอากาศท่านก็ถามว่าภายะเธอว่าท่านเธอได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเธอรู้แก่ใจเหลืออับปางกลางทะเลแล้วเราได้ไม้กระ บ, บานดานมาแล้วก็เนีได้ผ้าได้ พอเชือกมาพันร่างกายตัวเองเพียงแค่หนึ่งแล้วพระหันไม่ใช่นะพายะเธออย่าไปยึดอย่างนี้ไม่ได้นะตกนรกอเวจีนะเดี๋ยวนี้พระหัน์มีแล้วพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นแล้วในโลกนั่นคือพระรหัน์ที่แท้จริงเดี๋ยวนี้อยู่ที่กรุงสาวัตถีคือพระพุทธเจ้าโคตมะนั่นแหะให้ท่านไปศึกษานะพาหยะอันนี้เธอโกหกเขาเฉยเฉยรู้แก่ใจไม่ใช่เหรอ ทำไมท่านจึงทำอย่างนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองพอพายะได้ยินเท่านั้นะเกิดความสลดสังเวทใจในตัวเองอย่างมากใช่ท่านพูดถูกต้องข้าพระเจ้าเข้าใจผิดอย่างนั้นจริงๆเอาเถอะท่านก็เลยหาเสื้อผ้าได้แล้วก็นุ่ง เ, เสื้อผ้าได้แล้วก็เดินทั้งทั้งืนเลยก้อนดันมาสูงกรุงสวรรคถีเลย พอมาถึงกรุงสวัสดีสว่างพอดีจากที่ท่าเรือมาถึงที่นู่นนะร้อย่สิบร้อยยกิโลว่างันนะพอมาถึงเสร็จแล้วก็คอยเลยถามพระสงฆ์บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับพระสงฆ์เหล่านั้นที่ท่านไปบินทบาทกลับมาก่อนท่านเดินจงกลมอยู่ในที่แจ้งท่านว่าพระพุทธเจ้ากํลาลังบินทบาทอยู่เดี๋ยวนี้ให้รอคอยอยู่ที่นี่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 ได้กล่าวได้หลวงพ่อได้กล่าวว่าท่านอยู่บนยอดเขาท่านบําเพ็ญแบบอุกฤษเบาเบาบางเพรเต็มเต็มที่แล้วเมื่อได้ยินฟังทำคําสอนเพียงสองสามบาทพระคาถาเท่านั้นท่านได้สําเร็จเป็นพระหันในเดียวนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านได้บําเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวันนี้ละพวกเราได้มานั่งภาวนาบําเพ็ญต่างกลมต่างบาระ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 แต่อนันนสงฆ์ไม่เคยทำไม่เคยทําบุญทําทานอัฐเรื่องอัฐบริหารมาก่อนพระพระองค์ก็เรียกไม่ขึ้นเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะอั น, นิสงฆ์ไม่มีพายะเธอจงไปเสาะแสวงหาบริขารก่อนนะได้บริขารแล้วค่อยบวชท่าครับผมท่านก็ออกมาจากนั้นท่านก็เดินโตเตไปท่านก็คงไม่ได้สังเกตวัวเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาตินะ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 เพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายเอากระดูกของท่านไปไว้ในทางสีแพ่งให้คนได้กราบ ไ, ไว้วาถวัถูปราระหะบุคคลบุคคลที่สมควรที่จะสร้างสตูยพระเจดีย์ไว้ให้คนได้กราบได้ไวาเวารพสักการะบูชานี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนคือพระในครั้งพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะที่ท่านบําเพ็ญก็นี่แหละพวกเห็น การบูพวกเพื่อนย่อหยอดหรือว่าเห็นหมูพวกเพื่อนไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยท่านก็เลยตั้งเจ็ดองเลยเปลี่ยตัวออกไปเพื่อบําเพ็ญแต่ในชาตินี้นะแล้วก็องค์อื่นละ่ะองอื่นก็คือองค์หนึ่งคือว่าเป็นพระกุ ม, มารกัณสป ะ, เ ป, ะ, เ, ะ, ะ, ะ เ, ปเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งกับพระจุนทะที่เป็นเป็นพระรหารอีกเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้เป็นพระราชา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 เราก็จะได้สําเร็จมั้งสาเร็จผลตามอย่างที่พระพายะทารุจริยะที่ได้รับเอธะตคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ได้สําเร็จพระรหันที่เร็วหรือว่า เ, เพียงฟังสามบาทพระคาถาก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันแล้วนี่อันนี้ก็คื อ, อ, อพระพายะคือสาวกของพระพุทธเจา้าแต่ตอ น, นี้มาพูดถึงพระ ในค้างพุทธเจ้าอีกเหมือนกันที่พระทำชั่วในตกนรกมีไหมอันนี้หลวงพ่อพูดถึงพระทำขวามคุณงามความดีที่จะไปสู่ความสุขคือสวรรค์นิพพานแต่พระที่ทำความชั่วนี่มีไหมตกนรกอเวจีมีนะคณะัทหายาจมลูกหลานเพราะพระพองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอย่างเก่านั่นแหละพระพองค์ปราลบถึงกปิละพิกขุพระกปิละพิกขุ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 ลูกน้องบริวารศรัทธาญาติโยมนับถือเลื่อมใสผมในมากขนาดไหนอาจารย์เนี่ยลูกพี่เี่อยู่ในป่าลับหูหลับตาเฉยเฉเพลเผอยังดูถูกพี่ชายที่เป็นพระรหันต์ีต่างหากพลในสัตว์พี่ชายบอกเอาเถอะกรรมจะให้ผลจะรู้เองเมื่อภายหลังจากนั้นพี่ชายก็เลยเข้าไปป่าอยู่ในป่าต่อไปไม่ออกมาเลยจากนั้นพี่ชายก็ปรินิพานอยู่ในป่า แต่น้องชายนี่ก่อนเห็นอะออพูดชั่วกลายเป็นดีดีกายเป็นชั่วมั่วไปหมดเลยทีนี่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยผลที่สุดคนทั้งหลายสมัยนั้นก็คว้เขวสศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะปะทั้งที่จะเจริญยาวนานเพราะว่าผู้พระที่มาแนะนําสั่งสอนนั่นอ่ะออไปออกนอกลกูนอกทางผลที่สุดก็ อ, อทั้งแม่ด้วยทั้งน้องสาวด้วยก็เห็นด้วยครับ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 เอาควรจะเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปัตเสนเหมือนกันก็เลยเอาใส่เรือเข้าไปเอาน้ำใส่สักหน่อยแล้วก็่เอาเปลือใส่ปลาไปแห่กันไปไปพระเจ้าปัตเสนมองเห็นปลาโห้ปลาทัวนี้มันเราก็ไม่เคยเห็นปลาทำไมสวยงามมากแต่เวลามันอ้าปากขึ้นมาเนเหม็นคุ้งไปทั้งหมดเลนี้เออปลาทำไมถ้ามันปากเหม็นวะแต่ว่าปลาทาไมถ้ามันสวยงาม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 เดี๋ยวเราจะถามให้ดูนะจะถามให้ดูเอ่อพระพุทธองค์ก็ว่าเออกัปปิละเธอเป็นภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะใช่ไหมกัปปิละบอกว่าประเจ้าขาดอาปาขึ้นมาเหม็นคุ้งเออทั่ววัดป่าเชิตะวันเลยสิเหม็นมากปลาปากปากปลาแล้วเธอมีพี่น้องโดวกันกี่คนในสมัยนั้นมีพี่น้องร่วกันสามคนครับ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 ถ้าเรามาพิจารณาดูตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านอยู่ในเวียงวังจากนั้นท่านนี้เสียสละออกจากเวียงวังเมื่ออายุ29ปีไปบําเพ็ญอยู่ในป่าสรงผนวดและบําเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด เ, เป็นเวลาหปีจากนั้นวันคืนที่ท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือวันคืนเดือนหเผ่นวันเดือนหเผ่นวันที่ท่านได้ตัดสรุ้ท่านทำอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ในวันนั้นทั้งที่ท่านทดลองมาทดสอบมาทดลองผิดลองถูกมาเป็นเวลานานถึงหปีแต่ท่านคืนที่ท่านได้สำเร็จประสบความสำเร็จอย่างความตั้งใจของท่านท่านทำอย่างไรอันนี้แหละพวกเราต้องศึกษาจุดนี้ในวันนั้นในวันเดือน6กผ่น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 มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นเมื่อพระองค์จิตรวมลงสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัศนะเกิดฌานขึ้นมาว่าปุเพนิวาสานุสติญาณละเลึกชาติผลหลังได้นี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกทำไมจึงว่าตายแล้วเกิดอกีกเมื่อวานมีวันก่อนมีเดือนก่อนเออปีก่อนชาติก่อนมี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 ออกจากพระไทยของพระองค์แล้วเป็นใจของพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอม ต, า ธ, า ต, อตธรรมแล้วใจไม่กระเพื่อมแล้วใจเป็นธรรมชาติแล้วนี่แหละคือพระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคต้ น, ตนโพวันเดินหกแผ่นตอนหัวค่ําหรือว่าปุเพในวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานพอจวนสว่างอาสาวกยะญาณ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 แต่หลวงปูง่มั่นท่านบอกว่ามันหลุดเร็วเกินไปเดีมันหลุดเร็วเกินไปมันขาดเร็วเกินไปมันหลงลืมเร็วเกินไปควรจะบริกรรมนะหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทแต่ น, นั้นท่านจึงสอนบริให้บริกรรมด้วยแต่หลวงตามหาบัวท่านกย็ยอมรับว่าสมัยก่อนท่านก็กำหนดอย่างที่พระพุทธเจ้ากําหนดเพียงแต่กาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก มันหลุดได้ง่ายจริงแต่พอท่านนำแนวกรรมฐานของหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติท่านจึงได้หลักท่านบอกว่าบัตรนี้ไม่เสื่อมใจของเราไม่เสื่อมแล้วเออตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปอันนี้หลวงตาท่านก็ยืนยันว่าการแนะนำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นเนีเออ่ยเป็นแนวทางที่พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติได้แต่ถ้าว่าท่านก็สอนบอกว่า ถ้าว่าผู้ใดก็ตามกําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วมันยังหลุดอยู่ให้บริกรรมทีๆก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโแต่ไม่ต้องบ่นออกปากนะให้ใจของเราเนี่ยที่มันนึกคิดให้บริกรรมสามทับอยู่จุดนั้นแหะอย่าให้มันผงไปทางอื่นพุทโธพทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็ทําจิตใจให้สงบได้แต่หลวงพ่อเองแนะนำศรัทธาญาติโยมลูกหลานอีกเพื่อนกันนะนี้เป็นความที่หลวงพ่อ ได้ทดทดสอบทดลองดูหลวงพ่อบอกทดลองนับดูนะลูกหลานหลวงพ่อทดลองดูแล้วได้ผลนะมันเห็นได้ชัดเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้าหายใจเข้าจนนับถึงร้อยกลับมานับใหม่อีกถ้ามันไม่ไม่เผลอถ้ามันเผลอดูก่อนตั้งต้นใหม่นับหนึ่งใหม่มันเผลออย่างไงหลวงพ่อบอกว่าเวลามันเผลอนี่คือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสอง หคือเลขขี้สองคือเลขคู่สคือเลขขี้สี่คือเล ข, ขคู่5้าสีเลขข etes, ี่6คู่7จดขี้8ดคู่เอ่อเกขี้10คู่ขี้คู่ขี่คู่ขี้คู่หายเจ้าได้เป็นเลขขี้หายจะออกเป็นเลขคู่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์เบอเสร็แสจแล้วมันจะหายเข้าน่ยหายใจเข้ามันเป็นเลขคู่แล้วเจนี่หายใจออกเป็นเลขขี้นะนี่แหละเราจะรู้ได้เร็วนะเพราะนั้นขอให้ทดลองดูนะ ถ้ามันเป็นอย่างให้ตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้น อ, อีกในเมื่อพวกเราตั้งสติให้เข้มแข็งแล้วใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าจว่าจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นอุปจาระสมาธินี่มีอยู่สามขั้นนะครับคณะทศไทาญาติโยมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เลื่อนเลยหลักพระธรรมคําสอน ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอามาสอนพวกเราค่ะณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะคือคือจิตใจพอนั่งภาวนาจิตใจมันจะง่วงรวมสงบแบบสิวเสียด เ, ออเสียดมันพอรวมสงบเพียบหน่อยเดียวมันจะเย็นสบายใจว่าเย็นมีความสุขลึกๆลํำจาไม่ลืมอีกเหมือนกันนะเมื่อเราภาวนาจิตใจของเรารวมสงบลงเพียงแต่ครั้งเดียว ใจของเราจะไม่ลืมอันนี้แล้ว่าคณิกะสมาธิแต่เราเมื่อท่าเราอยากจะให้มันเป็นอีกจะไม่เป็นนะไม่ต้องให้มันเป็นอีกเราภาวนาไปเรื่อยนะไม่ต้องคิดให้มันเป็นอีกจากนั้นเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปจิตของเราจิตใจของเราจะเข้มแข็งสติของเราจะแก้วกล้าขึ้นเป็นอุปจารสมาธิอุปจาระไปว่าจิตใจเรารู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหน แต่จิตใจของเราไม่หิวไม่หวยกำหนดที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็อยู่ที่ลมจิตใจไม่กระสับกระส่ายจิตใจพอเราพยายามให้มันอยู่มันก็อยู่ดูจิตใจของเราอยู่อยู่กับที่จิตใจอยู่จะว่าใจสงบก็ใช่จะว่าใจอยู่ก็ใช่อันนี้อุปจารสมาธิถ้ามันลงไปกว่านั้นเดี๋ยวอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง บางคนก็เหมือนกระตกเหวตกบ่อบางโทงก็มันบูบเย็นลงไปเอออันนี้คือว่าจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นนั้นอันนั้นคืออัปปนาสมาธิเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานที่ใดกายกับใจของเราเนี่ยเออมันอยู่คนละส่วนกันเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราไม่รับรู้ทางกาย ตาของเราไปต้องวานแล้วเราหลับอยู่แล้วแต่หูของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ณสถานที่ใดใจของเรามีแต่รวมสงบนิ่งเออแต่ไม่ใช่หลับนะเรารู้ว่าเราสงบนิ่งสติเป็นอะไจิตเป็นนั้นสติเป็นอะจิตเป็นนั้นพอจากนั้นมามันก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธินี่แหละี่เมื่อจิตรวมสงบลงไปอย่างนั้น เรารู้ได้ด้วยตนเองเลยรู้ด้วยได้ว่าตายแล้วไม่ศูญนะตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะอะไรมันรู้ชัดด้วยตนเองว่าร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจที่มันสงบเป็นเอกเทศนะ่ะคือคนขับรถรถกับคนขับรถรถนี่ต้องหมดสภาพแน่แต่คนขับรถออกจากรถนี้ก็เหมือนกัน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 รถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์สุดแท้ตัซฟเฟอร์จะขับไปที่ไหนจะขับไปตกเหวตกบอ่อจะไปขับชนต้นไม้ชนคู่ชนคนได้ทนะั้งนั้นเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์เป็นใหญ่นี่ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพราะพระเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะรัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ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 จะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลักเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้พวกเรามาสร้างคุณงามความดีมาสั่งสมคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาจิตเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังการมุตตมังบูชาบุคล ค, บบคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันดับแรกก็คือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มั่นเป็นปฐมและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวหลายหลายองค์ก็ล้วนแล้วจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาเ่จากนั้นก็หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตว่าคาเมวาอธิวาธัญญะอันนี้ก็คือความหมายว่าพระหันอยู่นสถฐานที่ใดไม่ว่าอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำ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 แปลว่ามาไม่ถึงจังหวัดสนนกลนครพูดอย่างกานได้เพราะฉะนั้นพระธาตุและอติธาตุของหลวงปู่มั่นอยู่ที่สนนกลนครแห่งนี้ถือว่าสนนกลนครของเราเป็นสิริเป็นมงคลอย่างยิ่งเพรอะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระคุณขององค์หลวงปู่ของพวกเราจึงถือว่าเป็น มงคลมหามงคลอย่างยิ่งและก็ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านเป็นหัวหน้าที่จัดงานหลวงพ่อเองก็ปลื้มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานของหลวงปู่จามมหาปุญโญเมื่อไม่นานมาเนที่พระราชทานเพลิงสติละของหลวงปู่จามวันที่5มกราคม57หลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าเป็นหลานหลานหลวงปู่จามเป็นลูกพี่ชายใหญ่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 ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตาที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันพุ่งนี้นะคณะทายาทโจมคล้ายๆว่ามันคัับขันมันมันมาจวกเหมาะกันตั้งหลายงานคือวันพุ่งนี้ก็เป็นวันครบรอบ วันมรณภาพของหลวงตามหาบัวครบสามปีวันที่สามสิบนะวันที่สามสิบหลวงตาหลวงตาของเรามรณภาพคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็คงจะเข้าไปวัดป่าบ้านตาดแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกเป็นวันไหว้เจ้าอีกทีนี้เป็นวันตุดจีนอีกแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดเป็นวันครบพรอบ ร้อยวันของเจ้าพระคุณสาเร็จพระสังฆราชอีกทีเพราะนั้นในวันสองสามวันนี้รู้สึกว่าประเดประดังนะคณศักรไทาญาติโยมถ้าว่าผู้ใดจะไปกราบไปไหว้ไปทำบุญงานรครอบรอบของหลวงตาก็ไปเนะิ่เอือนะ้าวันพุ่งนี้เนะิ่แล้วจะค่อยกลับมาอีกก็ได้เป็นไรไปนะแต่งานของท่านเจ้าคุณของเรางานหลวงปู่มันของเรากับวันนี้เป็นวันประเดิมเป็นวันแรก แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่สองวันที่สามเป็นวันสิ้นสุดของงานเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้มาเป็นวันแรกอย่างวันนี้มาเห็นพี่น้องสัตยาจ่าโจมลูกหลานก็ใส่ชดขาวก็ล้วนแล้วเป็นผู้มุ่งมัน่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ใส่ใจในศินในธรรมหลวงพ่อเห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุลึ ก, ลก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 ความเจริญความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จสงความมุ่งมาตนปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเธอ